ช่วงสุดท้ายแล้วในคนจีนจะได้กลับบ้านแล้วจากบ้านมาหลายวันหลวงพ่อดูในภาพรวมนะคอสจีนใช้ได้ได้ผลดีพวกเราภาวนาสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้น่อไปหัด เริญปัญญาดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานใจเราเป็นคนดูดูร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนหนึ่งรู้สึกไปเรื่อยเรื่อยเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูเห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นใจเป็นคนดูความรู้สึกเช่นความสุขความทุกข์ความดีความชั่ว ลบกรลดหลงอะไรพวกนี้ใจเราไอรู้แล้วก็รู้ท่านการทำงานของใจนะยังมีความรู้สึกสุขขึ้นมาเนี่ยใจมันชอบรู้ว่าชอบมีความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบจิตเป็นกุศลอี่างจิตมีความสงบอย่างเงี้ยชอบรู้ว่าชอบ จิตมีกิเลสนลไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบะรู้ทันเข้าไปให้คอยรู้ทันใจของเราบ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดีคําว่าดีในทางศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ว่ามีความดีมีความสุขมีความสงบแล้วดีนะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้เอย่างถ้าจิตเรา เบิกบานเป็นกุศละเราไม่รู้อย่างนี้ถือว่าไม่ดีจิตลรากลังกโกรธเรารู้ว่ากโกรธจิตเกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลอันนี้ดีเะเมือ่อนดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ว่ารู้ทันหรือไม่รู้ทันถ้ารู้กายรู้ใจอยู่ได้ก็เรียกว่าดีนใจมีกิเลสก็ยังดีอยู่ คอยรู้บ่อยๆต่อไปก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่คงที่สักอย่างเดียวเหมือนที่เมื่อเช้าหลวงพ่อเล่าหลวงพ่อเห็นใจกงังวลไปเปียกฝนใจกังนวลว่าจะเป็นหวัดเนี่ยมองเห็นความกางังวลความกังวลก็เกิดดับให้ดูจิตก็จะตัญญาได้ใ้เราคอยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะในร่างกายในจิตใจของเรา ก็รปฏิบัติธรรมไม่มีมากกว่านี้หรอกรู้สึกจิตใจได้ก็รู้สึกจิตใจไปรู้สึกจิตใจไม่ได้รู้สึกร่างกายรู้สึกร่างกายก็ไม่ชาร์จยุ่งไปหมดละทำความสงบงั้นท่านที่ดีทุกวันแบ่งเวลาทำความสงบให้บ้างเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เราไม่ต้องรอให้แบตหมดก่อนแล้วค่อยไปชาร์จจะชาร์จนาน เราใช้ไปแล้วก็ชาร์จเป็นระยะระยะไปอย่างกลางวันกินข้าวเสร็จแล้วมีเวลาเหลือนิดหน่อยเราก็อาจจะไปเดินจงกรมเดินจงกรมก็อาจจะเดินไปเดินมาะไม่จําเป็นต้องวางท่าว่าเดินจงกรมเราให้คนอื่นเขาเห็นไม่จําเป็นอย่างหลวงพ่อตอนทํางานอยู่นะกลางวันกินข้าวเสร็จแล้วหลวงพ่อเดินไปวัดใกล้ๆที่ทํางานเดินไปที่วัด ไปถึงวัดนะไปะยกมือไหว้หน้าวัดเข้ก็เดินกลับแล้วไม่ได้ไปทำอะไรคนเขาถามว่าไปไหนมาบอกไปวัดมาเขาก็แค่ยิ้มยิ้มว่าอิตานีชอบพระวัดแต่ถ้าเราบอกว่าเราเดินจงกรมเนี่ยนะเรื่องมากคนมันจะคาดหวังสูงอย่างวันไหนเราเกิดสติแตกโมโหขึ้นมาเายไม่ใช่พระรหัสนี่นสติแตกขึ้นมา คนมันก็บอกเนี่ยปฏิบัติยังไงยังโมโหอยู่อย่างเงี้ยจะคาดหวังสูงแล้วคอยกะนแนกะกัแหนคนจีนไม่รู้เป็นไหมนะแต่คนไทยชอบกะนแนกะกัแหนคนอื่นมีมีศัพท์ไหมกันแนกะกัแหนโอู้เก่งจริงจิงวันหนึ่งเนี้ยเห็นใครดีไม่ได้เห็นใครดีไม่ได้แล้วใจมันคันใจมันคันแล้วมันก็ขึ้นมาที่ปากความคันนั้นมันลามขึ้นมา ขึ้นมาที่ปากนะงั้นเราภาวนานเราไม่ต้องให้ใครเขารู้นะเรายืนเดินนั่งนอนธรรมดาเนี่ไม่ต้องหวังอร์อมยกเว้นว่าเราอยู่ในที่ของเราหรืออยู่ในวัดมีที่เดินจงกรมการเดินจงกรมในวัดเป็นเรื่องปกติไม่ต้องผิดปกติอย่างนั้นไม่เป็นไรงั้นถ้าเราทำตัวแปลกแยกกับสังคม แต่แยกกับสิ่งแวดล้อมนะมันจะมีปัญหาในการดํารงชีวิตคนมันจะคาดหวังสูงนั่นเรากลมกลืนไปเพราะการปฏิบัติอยู่ที่ใจเราใครมันจะมารู้การนั่งสมาธิการเดินจงกรมเป็นแค่เปลือกของการปฏิบัตินะการปฏิบัติจริงๆคือเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัติเมื่อไร่ขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติแม่สติจำเป็นที่สุด สติเป็นตัวรู้ทันนะความเคลื่อนไหวของร่างกายของจิตใจก็รู้ไปเรื่อยๆซ้อมทุกวัน่มันก็เก่งเองแหละต่อไปให้ส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนรัชการค่ะของการบ้านค่ะให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปทำต่อไป อา้าวอย่าเพิ่งส่งไปเลยครับจิตเราไม่ค่อยมีแรงรู้สึกไหมรู้สึกครับเอองั้นหายใจไปนะหายใจแล้วรู้สึกไปพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเรื่อยๆอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยสงบผู้ช่างไม่สงบผู้ช่างนะครับแล้วจิตจะค่อยๆมีแรงขึ้นมาครับอา้าวต่อไปมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ เราไม่คน้นคว้าไม่คิดมากนะเรารู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรืยไม่มีเกินนี้หรอกเมื่อวานหลวงพ่อบอกให้ไปดูกายะะอ่ะค่ะก็ไปดูก็เห็นว่าเวลาตัวเองเดินก็เห็นว่าขามันขยับเออแล้วรู้สึกไหมขาไม่ใช่เรายังไม่รู้สึกขาไปหันรู้สึกไหมแต่จะมีบางจังหวะที่รู้สึกว่า กลัวว่าตัวเองจะเพ่งเกินไปมันก็จะเกิดการเปลี่ยนจุดไปที่รู้สึกที่จุดอื่นนะคะอย่างเงี้ยผิดเริ่มตั้งแต่กลัวว่าจะเพ่งให้รั่วกลัวก่อ น, นะล้วจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรแล้วไงก็งรู้ทันใจซะ ก, ก่อ น, นอ่ะต่อไปไม่เอาเอาใครจะส่งกันบ้า น, นโอ้โห น่าสยดสยองเบอร์สองเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สิบสองเบอร์สิบเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์แปดเบอร์เจ็ดอะท่านี้ก่อนเบอร์สองดี๋เปิดไมหน่อยคนนี้เปล่าหนึ่งใช่ไหมคนนี้ไหม คนละคนมีเบอร์สองหลายคนอ่ะเบอร์สองอันใหญ่ก่อนเอวสาฉันตออฉนตัดเออยันตัดเอันตัดเออฉันตัดเออฉันตัดเออฉันตัอันตัดเอยฉันัดออฉันตัดเอันัเขาฉันตัดเอดเอัตัดเออฉันตัดเออเออฉนะดเนตัดเออฉัออนตัอนตัดเอดอนตัันตตัดอนัเนอันตดเตั ที่ฝึกกันารปฏิบัติีจริงไม่ใช่เรื่องยากอะไรเรารู้สึกตัวไปเรื่อยๆเราเห็นร่างกายเห็นจิตใจของตัวเองไม่ลืมมันคนส่วนใหญ่ชอบลืมตัวเองมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมเราอย่าลืมเรารู้สึกเรื่อยๆนึกถึงมันบ่อยๆะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะหน้าตาสดใสขอบคุณหน้าตาสดใสพอใจแนละ 好，再来<笑><笑>。再来，一，一，来一。再来。老师，心里路，我 是, 是第一次到泰国来，第一次学习，我好多地方还是闹不懂，请师傅指点。再讲一。 เขาเขาเป็นคนมาเ ค, คอรสครั้งแรกอยากจะขอคาแนะนำจากหลวงพ่อเขาเขาเป็นคนช่างคิดนะใชจมันฟุ้งเกลีงั้นพามันคิดพุดโทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันใจข้งเราพุโทโธพุทโธใจเราสงบพอรู้พุโทโธพุทโธใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ะไม่งั้นมันจะปิดคิดเรื่องอื่นวุ่นวายเราพามันคิดพุดโทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันใจครับ อ้าเบอร์สองเบอร์สอตัวเล็กๆมีป้ายเบอร์สองสองอันเอ่อผมมีสองปัญหาครับปัรกคือผอา้วงอวยบอกผมว่ากาขงหอถ้องรือไมทคอยากให้หลวงพ่อช okay. ่วว่าภารปฏิขางหวถูกตหม ข้อที่สองคือเขาอยากจะขอคาแนะนำต่อไปเขาควรภาวนาอย่างไรครับภาวนาถูกผิดอะไรเนี่ยนะไม่ต้องกังวลเยอะภาวนาอย่างไรก็ผิดตัวพอรู้ว่าผิดแนละ้วมันถึงจะถูเองอย่าสังเกตใจเราใจเรารู้สึกตัวจริงนะแต่ว่าตัวรู้ของเราแข็งไปมันตั้งใจรู้สึกเยอะไป ให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้นิดหนึ่งมันจะสบายกว่านี้นะแล้วสังเกตไหมเวลามันคิดมันอะไรเนี่ยมันจะบอกว่าเราคิดนะนี้เราคิดนี่เราอย่างนั้นเราอย่างนี้นะมันรู้สึกว่ามีเราจริงๆงนะมันจะรู้สึกว่ามีเราอยู่ถ้าเรายังรู้สึกว่ามีเราอยู่ยังไม่ใช่โสดาบันนะถ้าเป็นโสดาบันมันจะไม่รู้สึกว่ามีเราแล้วจะพบว่ามีแต่ธาตุขันมีแต่กายมีแต่ใจแต่ไม่ใช่เรา ที่ฝึกอยู่ใช่ได้นะที่ฝึกอยู่ดีไปทำอีกเสด็จหลวงปู่ให้ชวนเพื่อนปฏิบัติเท่าได้นะแต่ว่าเอาซีดีหลวงพ่อให้ฟังเยอะๆนะเดยถ้าเรามีเพื่อนชวนกันปฏิบัติอะไรเงี้ยก็ทำได้แต่ว่าให้เพื่อนฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆหน่อยก็แล้วกันเบอร์สิบสอง อ๋อถิ่นลุงพ่อเอ่อว่า平时就是尤其是固定形式修行的时候要么过于宁静要么就是会昏沉麻烦ลุงพ่อ给你开始ขอบอกกับท่าอยู่ในรูปแบบบางทีก็นิ่งเกินไปบางทีก็ฟงเอองว่วงครับอยากจะขอคนแนะนจากลงพ่อครับน น, บ น, นิ่งรู้นิ่งไม่ชอบว่าไม่ชอบมนง่วงร้วง่วงนะ เราไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบแค่นี้เองรู้อย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงาการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปตัดแปลงตัวเองให้ดีให้สุขให้สงบเราจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ว่าดีก็รู้ไม่ดีก็รู้สุขก็ได้ทุกก็ได้นะสุขก็รู้ทุกก็รู้สงบหรือฟุ้งซ่านก็มีสติรู้ไปได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะสุขทุกดีชั่วสงบฟุ้งซ่านอะไรเนี่ย มันจะสอนธรรมะเราคือสอนว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับอย่างความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับอย่างใจมันซึมเนี่ยเราก็ดูไปะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายความซึมเขาไม่คงที่เดี๋ยวก็ซึมมากเดี๋ยวก็ซึมน้อยเดี๋ยวก็หายไปหรือซึมหนักๆก็หกกลับไปเดี๋ยวตื่นขึ้นมารู้สึกเอาใหม่ไม่ต้องตกใจที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ ฝึกอยูนะ่ทำไปทำเหยเบอร์สิบประสิทธ์อยู่ไหนนี่ต้องชกประสานนะกับทีมงานรองทั้งหนึ่งด้วยจัดคอร์อสคนจีนได้หลักของการปฏิบัติหลายคนหลยเยอะเลยดีประสานส อ, อนแสดงว่าประสานสอนถูกแล้วก็หนึ่งแปลถูก <笑>啊，阿发八十。啊，龙波你好，嗯，就是通过这几天的学习，嗯，我算是从零开始，然后又开始练习，呃，但是现在要回去了，我还是有点不是太确定自己有没有修对，所以想请龙坡就再指导我一下，谢谢。 นั้นจะเรียนเสร็จแล้วเขาเขาเขาจะ ว, าาวันใจเป็นรับหนึ่งเริ่มใหม่คือใกล้จะกลับแล้วเขาอยากจะขอหลวงพ่อช่วยดูว่าเขาภาวนาถูกไหมครับตอนนี้หรือคนไหนนะเดี๋ยวลืมไปแล้วยกมือสิตอนนี้บังคับใจอยู่รู้สึกไหมมันเพ่งใจมันนิ่งๆกว่าความเป็นจริงนะเราบังคับตัวเองมากไป ให้ใจเป็นธรรมชาติใจเคลื่อนไหวใจสบายๆรู้สึกไปอย่าบังคับใจให้นิ่งๆถ้ามันรู้สึกนิ่งรู้สึกแน่นๆรูๆ้สึกแข็งๆอะไรเงี้ยแสดงว่าเราบังคับมากไปให้ผ่อนคลายกว่านี้ใช้ใจที่ผ่อนคลายไปรู้ร่างกายใช้ใจที่ผ่อนคลายไปรู้ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงใจต้องมีใจที่ผ่อนคลายใจถึงเครียดไปนิดนึง จมรขอบอกผงคลายไม่เป็นครับอะไรนะคือครตัวไม่เป็นครับผง ค, คลายไม่เป็นผ่อนครไม่เป็นเหรออย่าพยายามทํายิ่งพยายามทําให้ผ่อนคลายยิ่งเครียดนะอย่างเมื่อกี้เนี้ยที่หัวเราออกมาที่ยิ้มออกมารู้สึกไหมใจไม่มคลายเวลาใจที่คลายเนี้ยเราไม่ได้จงใจนะถ้าจงใจให้คลายมันไม่ยอมคลายหรอกมันยิ่งจ้องหนักเข้าไปใหญ่ เพราะงั้นใจมันอ่าอัดขึ้นามาให้รู้ว่าอึนอาจใจเราอยากจะให้มันคลายรู้ว่าอยากเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆแล้วมันคลายของมันเองถ้าอยู่ๆไปสั่งให้จิตคลายออกมันจะยิ่งเพี้ยงหนักกว่าเก่ามันทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้เพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นะประสาม แต่ของหนูใส่แว่นนี้ก็ใช้ได้นะก็ดีที่เปิดอยู่ใช้ได้อยู่เแต่ว่ามันจริงจังเกินไปอย่าไปจริงจังมากทำเล่นๆ่ารลว่าเาิ่วาเิน่ราหิี่วัดหิวัดพระเขาหี่วัาตาหลี่วรที่รตุนวัรเิน่รตุภนัระธาหวระธาตุภูเขาหินที่วัดพระธาตุภูเขา ลงพกเดยววกกาารรงสเขามีบุญตั้งแต่หลวงพ่อไปสอนที่จีนเขาก็ไปเรียนศึกษามาเรื่อยๆเขารู้สึกว่าตัวเองมีก้าวหน้าแต่พรุ่งนี้ใกล้จะกลับประเทศจีนเนี่ยอาจจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อครับก้าวหน้าอยู่แล้วละ่ะนะแล้วมีสติต่อไปเรื่อยๆอย่างใจเรามีความสุขเราก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเรากังวลก็รู้นะ บางทีเราก็กลุ้มใจกังวลห่วงอนาคตอะไรเงี้ยเราก็รู้ไปได้ยดูใจมันทำงานไปเรื่อยเรื่อยดีใช้ได้อก <c oughs> นี่ไปเรียนกับหลวงพ่อที่หวังสันซื่อเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ ที่ลุงป๋อเออผม是第二次来泰国了ผม น, นี่ก็ใช้ได้นะอืมอ่าวไปอ่าฮ่าฮ่าเออ明天马上就回去了ป๋อ指导一下หรพ่งนี้ก็กลับแล้วอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับอาจารย์ประส า, านเ็าได้ยังไงเอาอย่างนั้นแหละ<笑>พอที่เราทำมาถูกแล้วนะ ต่อไปแล้วสติจะเกิดได้ถี่ขึ้นได้บ่อยขึ้นอะไรเกิดขึ้นในร่างกายอะไรเกิดขึ้นในจิตใจมันรู้ได้เองแลอยรู้สึกรูยได้แล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้พื้นฐานดีอยู่เบอ ร, ร์แปดภาษาสอนลูกศิษย์ใช้ได้นะ ลูกศิษย์นี่ยจะเป็นคนที่ทําให้อาจารย์ได้รับคําชมหรือได้รับคําติเตียนนะอย่างอาจารย์วิลลี่ยอาจารย์วิลลี่ตัวเองเก่งนะภาวนาถูกอะไรเงี้ยลูกศิษย์มาส่งกันบ้านที่หลวงพ่อนะลูกศิษย์เราให้มันสอนมายังไงเห็นไหมไม่ว่าลูกศิษย์นะว่าอาจารย์เอออย่างนี้ยนะอาจารย์มันดีคนจีนเก่ง 呵呵呵，我百搭百，我我好像呃，听你龙波，我好像就是这个念诵啊、坚行啊、观呼吸啊，都没办法这个修行，所以我就把这个整体的感觉作为这个所缘，这样来修行。我想问一下龙波这样行不行？我目前觉得，就是说我这个。 对整体的一个整体的一个觉知嘛，作为一个所员啊，来作为一个修行的所员。ก็เขาพูดผมไม่ค่อยเข้าใจเขาบอกว่าเวลาดูลมหายใจหรือวมนก็เหมือนภาวนาไม่ได้เขทำรู้สึทั้งทำรู้ทั้งทำเรู้สทั้งหมดไปดูรู้สทั้งหมดจริงๆผมไม่เข้าใจเจะทำเขาใช้ รูปแบบเขาเหมือนทำภาวนาไม่ดีคือถ้าไม่ชอบรูปแบบอันใดหนึ่งนะรู้สึกตัวไปแต่ว่าอย่ารู้สึกเหมือนตอนนี้นะถ้ารู้สึกเหมือนตอนนี้จิตมันจะไม่สบายจิตมันอดอืดดดไปนิดนึงเวลาถ้าจะรู้สึกตัวทั้งตัวก็ได้รู้สึกไปแต่รู้สึกด้วยใจที่สบายใจที่ผ่อนคลายแต่ถ้าทําใจงี้แล้วรู้สึกงี้นะ อย่างนี้ไม่ถูกใจมันอ่นอนะัดของคุณนยใจมันยังตอนนี้ใจมันนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมหรือว่าปกติเป็นแบบนี้อยู่ท่าที่จิตต้องได้เข้าจิตยตนันาะจเข้าเข้าสภาวะนี้อัตโนมัติปัทีาจะนิ่งกว่านี้อีก ต้องเน้นความรู้สึกตัวให้เยอะขึ้นนะรู้สึกตัวตามธรรมชาติไปทำงานไปกวาดบ้านไปซักผ้าไปอะไรเงี้ยแล้วเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆนะอย่างนั้นจะดีกว่าไปนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิแล้วติดนิ่งจิตนะพร้อมที่จะติดความนิ่งๆสงบอยู่เฉยๆนั้นะพยายามไปทำงานนะเส่นไหวไปเบอร์7จ็ อย่างเบอร์สองเบอร์สองหน้าน่าหนึ่งนิสัยเขาจะต้องผากคนทําเยอะๆอันนี้แก้ไม่ได้ทําอย่างนั้นแล้วตัวเองจเจริญสติไปเรื่อยๆเขาไปได้เหมือนกันเพราะว่านิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนเคยเดินเส้นทางพระโพธิสัตว์อยากจะพาคนไปด้วยเยอะๆอันนี้ห้ามไม่ได้เอาว่าไป 顶礼龙波，再次看到您，我非常非常高兴。呃，这一次来泰国，刚开始的时候，觉得自己完全不会修行了。然后随着老师不断的教法，我感觉好像自己又能够掌握到修行的核心。然后重新开始观呼吸，我就想请龙波帮我看一下，我是不是修对了，是不是有一点紧？เขาอยากจะใดูว่าเขาภาวนา ถูหรือเปล่าหรือว่าตึงเกินไปครับตึงเกินไปนิดหน่อยอย่าตั้งใจมากทำเล่นๆถ้าตึงเกินไปนะไม่เจอกระดาษนะมีความทุกข์เราภาวนาเพื่อจะพ้นทุกข์นะไม่ใช่ภาวนาแล้วทุกข์มากขึ้นแล้วเราบังคับตัวเองทั้งวันนี้มันเครียดไปภาวนาให้สบายๆข้อต่อไปยกมือเบอร์ยี่สิบสาม เบอร์สิบสามเบอร์สิบหกเบอร์สิบห้าเวอร์สิบแปดเวอร์สิบเก้าท่านี้ก่อนนะอเนาะยี่สิบสามอออยู่ที่นู้นยิบสามนี่ต้องเรียกเมื่อกี้เรียกก่อนยกมือเพราะว่าอยากส่งมากเลย ถ้าไม่ได้ส่งอย่าคุ้มใจคืนนี้นอนไม่หลับเลยนะเลยทำป้ายหล่นไปนะอ้าว่าไปมัส ก, การหลวงให้ พ, <อ S 1> พูดไทยได้คือคือโยมปฏิบัติโดยการเดินจงกรมเป็นหลักนะคะก็ประมาณวันละสามสิบนาทีาา่ะคะแล้วก็ระหว่างวันก็ดูความรู้สึกตัวก็คือรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะก็เลยอยากาที่ทำอยู่มัน ดีอะยยังแล้วก็ต้องปรับปรุงอะไรบ้างดีแล้วล่ะจะพัฒนากว่านี้ยังไงถามคนที่นั่งข้างๆคนนี้เดินจงกลมเก่งคนนี้ได้ดีเพราะเดินจงกลมนะแต่ตอนนี้ขาเจ็บเดินไม่ค่อยได้เมื่อสิบสามหลวงพ่อหนูอนุญาตอีกนิดนึงนะคะพอดีว่าหอยากจะขอคำแนะนำคุณแม่ไม่เคยปฏิบัติเลยนะคะ แ, แล้วคุณแม่มาแม้แม่อยู่นี่ค่ะนังอยู่ไม่เคยปฏิบัติเลยเอาซีดีหลวงพ่อให้ฟังบ่อยๆเดี๋ยวก็ปฏิบัติเป็นไม่ไม่ต้องแบบไปทำในรูปแบบอะไรใช่ไหมคะอย่าอย่าเพิ่งไปบังคับงั้นเดี๋ยวเข็ดไม่ไมกล้าทำค่ะให้ฟังซีดีไปเรื่อยๆมีคนที่ฟังซีดีแล้วภาวนาเป็นเ ย, เยอะมากนะเยอะ บางคนแต่มันต้องมีศิละปะในการฟังอย่างบางคนเนี่ยขึ้นรถก็เปิดซีดีหลวงพ่อเอาลูกไปส่งโรงเรียนไม่ได้เจตนาให้ลูกฟังเจตนาฟังเองฟังไปด้วยความเคร่งเครียด <c oughs> ขับรถ <c oughs> ไอ้ลูก น, ะ <c oughs> กนั่งดูรถ ด, ดูนี่ไปนะเสียงหลวงพ่อก็เข้าหูไปแล้วพอแม่ ขับรถอยู่คนปาดหน้าเขาโกรธแม่โกรธมองคนที่ขับปาดหน้าลูกก็บอกแม่โกรธล้วรู้ไหม่ <vier> นีดี CD หลวงพ่ออภินิหารเยอะนะ <S <S <S ไปเปิดให้แม่ฟังเบอร์สิบสาม 嗯，顶礼龙波，我是去年来过，然后想请龙波，嗯，指导一下我修行。然后因为我想的比较多， 我, 我就想请问龙波，我是否有修行过毗婆舍那？有没有看见过三法印？因为我不知道是不是自己想出来的，谢谢。好 ，B T 聊可以吗？好考考 S， 就是他อยากจะ想，อยากจะให้龙波ช่วยดูว่ เดินปัญญาหรือเปล่าเดินวิปัสนาหรือเปล่าหรือว่าคือเขาคิดเอาครับเราไม่รู้ตัวเองเหรอเห็นความรู้สึกมันมาแล้วมันไปได้เองไหมความรู้สึกของเรามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห็นไหมออเออถ้าเห็นแล้วก็นั่นแหละวิปัสนานะแต่ถ้าเห็นอะไรก็ไอ้นี่ไม่เที่ยนเป็นทุกเป็นอนัตตาคิดเอานะอันนั้นไม่ใช่วิปัสนาคิดเอา แต่ถ้าเราเห็นสภาวะอย่างเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาความโกรธก็หายไปนะเห็นใจมันหนีไปคิดรู้ทันแล้วมันก็หยุดคิดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราเห็นการเกิดการดับนะอย่างนั้นทํำวิปัสสนาอยู่เพรานไม่ได้ทํำวิปัสสนาตลอดเวลานะเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยบางทีจิตที่เป็นสมถะรู้ตัวอยู่เฉยเฉยบางทีจิตก็เห็นใจรักก็เป็นวิปัสสนา ไม่มีใครทํำมิปัสสนาตลอดเวลานะมันจะทําทเป็นช่วงๆบางช่วงก็ไม่เห็นใจรักเห็นแต่กายเห็นแต่ใจเห็นแต่กายแต่ใจเฉยๆอันนั้นเป็นสมถะถ้าเห็นร่างกายไม่ใช่เรานะร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เห็นจิตใจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยงจิตใจเปลี่ยนไปมาบังคับไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าทำมิปัสสนาอยู่ งั้นไม่มีใครทาให้ปัสนาตลอดหรอกจิตมันจะพลิกไปทําสมถะเป็นช่วงๆแต่บางทีดูเกิดดับอยู่จิตหลงไปคิดเพลินไปเลยแตนนั้นไม่มีสมถะนะอันนั้นหลงไปเลยใช้ไม่ได้เลยเบอร์สิบหกวันนี้หมออาจารย์หมอนัดหลวงพ่อไว้จะมาตรวจให้ที่วัด ใจดีมากเลยนะหลวงพ่อไม่ต้องเข้าไปโรงพยาบาลหมอมาให้เดือนเบ้นเดือนเพราะว่าเดือนหนึ่งหลวงพ่อต้องเข้าไปให้ยาสลับกันไปมาหรือยงัง ด, ดี๋ยวไม่มาอ้าว่าไปสิ่งที่จุนเจ๋ยถึงจุนจี๋ตต์สังเกตหรือเปล่าว่าตอนนี้เราบังคับจิตอยู่ อ, อ, อย่าไปบังคับมันนะ มันจะพุ่งสร้างรู้ว่าพุ่งสร้างไม่ต้องไปบังคับให้มันนิ่งรู้ไปสบายๆอย่างตอนนี้จิตแอบไปคิดทราบไหมจิตไหลไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดแค่นี้เองไม่ต้องสนใจว่ามันคิดอะไรหรอกแค่รู้ทันว่ามันหนีไปคิดให้กันบ้างนะต่อไปนี้คอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดรู้ไวๆจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ะไม่ห้ามนะไม่ว่าห้ามคิด เบอสิบห้าที่นี่หลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อ看一下我的那个修行以接下来的话呢呃继怎么样做หลวงพ่อช่วยดูภาวนาของเขาแล้วต่อไปเขาคนท่านทำอะไรยังไงครับตอนที่เขาไม่เจอหลวงพ่อภาวนาดีพอเจอหลวงพ่อแล้วตอนนี้เนียตอนนี้เพ่งอยู่เลย ไปจ้องไหมเพราะว่ากลัวมันทํางานไปกลัวจะฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยไ่จ้องบังคับอย่าไปบังคับมันถ้าบังคับแล้วใจมันอึดอัดรู้มันไปด้วยใจที่สบายๆในตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ไหมรู้อย่างนี้ใจหนีไปคิดแล้วก็รู้รู้สบายๆไม่บังคับก็ต้องนิ่งหลวงพ่อทำหน้าให้ดูที่ทําอยู่ตอนเนี้ย เวลาจะยิ้มก็ยิ้มนี้เนี่หัวละาะแต่ใจก็ยังแข็งแข็งนิ่งนิ่งอยู่อย่างนี้ไม่ดีนะต้องกล้าหารปล่อยมันปล่อยให้ใจมันเป็นธรรมชาติเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราบังคับไม่ได้จริงๆแล้วจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงที่ภาวนาถูกนะภาวนาเน่ยใช้ได้ นี่แต่ว่าตื่นเต้นเวลาคุยกับหลวงพ่อก็เลยไปเพ่งเอาไว้โอ้ผมอยากคือผมตอนนี้จะไปไม่ไม่ฝึกสมาะิใจจะไม่มีแรงแต่ฝึกสมถะิใจจะติดนิ่งครับสมถธไม่จาเป็นต้องไปทำให้จิตนิ่งนะ เราอาจจะหายใจเข้าหายใจออกแล้วเรารู้สึกไปเรื่อยแล้วเราก็รู้ทันจิตของเราที่เราหายใจไปพุทโธก็ได้หายใจก็ได้นะหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยแล้วใจเรามีความสุขเราก็รู้หายใจไปใจเรามีความทุกข์ก็รู้หายใจไปใจฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปแล้วใจสงบก็รู้ไม่ได้ไปหายใจเพื่อบังคับให้ใจสงบนะแต่หายใจเรารู้ทันใจหายใจเรารู้ว่าใจฟุ้งซ่านอย่างนี้ใช้ได้ หายใจแล้วรู้ว่าใจสงบอย่างนี้ใช้ได้หายใจไปเรื่อยๆแล้วรู้ทันใจแล้วมันจะได้สมาธิที่ดีไม่เคร่งเครียดไอ้ที่เครียดขึ้นมาเพราะว่าพอไปหายใจเนี่ยอยากให้สงบก็เลยเข้าไปบังคับใจให้นิ่งมันก็เลยเครียดดังั้นต่อไปนี้หายใจไปแล้วรู้ทันใจใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้สบายสบาย 第十八。呃， uh, 龙婆吉祥。Uh, 我从网络上听龙婆的法谈三年。呃 uh, ，今天来给龙婆看一看看我的修行怎么样，有什么要改正的。 เขาฟันทำเขาฟังธรรมาหลวงพ่อทำอินเทอร์เน็ตสามปีวันนี้อยากจะขอคําแนะนําครับทําได้ดีแล้วค่อยรู้ตัวเองไปเรื่อยๆนะอย่าไปบังคับให้นิ่งรู้สึกอย่างตอนเนี้บังคับมากไปนิ่งมากไปใช้ใจที่ธรรมดาใช้ใจธรรมดาไปรู้ร่างกายใช้ใจที่ธรรมดาไปรู้ความรู้สึกทั้งหลายนะอย่าตอนนี้ใจนี่ไปคิด เนี่ยอย่างรู้ท่านอย่างเนี้ยรู้สบายสบายใจหนีไปคิดเราก็รู้อะไรอย่างเงี้ยเราค่อยดูไปเรืยเราจะเห็นว่าจิตใจเนี้ยเขาทํางานได้เองนะพอเราเห็นว่าจิตมันทํางานได้เองเราจะรู้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานได้เองแล้วธรรมะมันจะก้าวหน้าที่ฝึกอยู่เขาใช้ได้อยู่คนนี้เบอร์สิบเก้า 丁礼龙婆啊！去年啊，龙婆指导我我今天今今，今天啊，到现在觉得觉性和禅定都有进步在哪一方面有缺点啊？请龙婆指导，感竟比丘老可以来 kindly นำ教龙婆，佢佮我，如果 สตีดีขึ้นสมาธิดีขึ้นเขาอยากจะให้หลวงพ่อชี้จุดอ่อนของเขาครับยังมีการเพ่งอยู่บ้างนะยังเพ่งอยู่บ้างก็รู้ตอนั้นแหละจุดอ่อนและยังเพ่งอยู่สมาธิต้องเป็นธรรมชาตินะดีขึ้นถูกต้องและในภาพรวมดีขึ้นสตีเกิดได้เร็วขึ้นใจอยู่กับตัวเองมากขึ้นถูกการหลองฟัง ยังไม่หมดเวลาเลยแต่ลวงพ่อหมดแรงแล้วนะเ <c oughs> ม็ดเลือดมันน้อยนะได้แค่นี้แหละนะพวกที่เหลือคนจีนที่เหลือไปถามใครเอานะพวกที่ช่วยสอนถามอาจารย์ตาสารยังสอนไหมหรือไม่เอาละตัดหางปล่อยวัด <c oughs> นสารอ่ <c oughs> ี่เข้าเหอวล้าเลย มีหน้าไม่มีหางเชวลิศจะบวชเราอย่าไปตั้งเป้ายาวๆบวชแล้วค่อยต่อต่อไปถ้าบวชแล้วตั้งเป้ายาวนะปีหนึ่งอะไรอย่างีเ้เกิดไม่อยากอยู่นะใจเศ้าหมอง